สิขาบทที่5ว่าด้วยการโฮมจีวรสับเปลี่ยนกันเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง902สมัยนั้นพระผู้มีพระภาพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตาวันรามของอนาถาบินเจกศรีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาทแล้วพึงจิวรนที่เปียกชุ่มแล้วเข้าวิหารภิกษุณีอีกรูป 1. หนึ่งโฮมจีวอนเผือนั้นเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้าน ภิกษุณีเจ้าของจีวรนั้นออกมาถามภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าทั้งหลายเห็นจีวรของดิฉันบ้างไหมภิกษุณีทั้งหลายบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีนั้นทราบลำดับนั้นภิกษุณีนั้นตำหนิประนามพลทนาว่าฉนัยภิกษุณีจึงห่มจีวรของดิฉันไปโดยไม่บอกเล่าและบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพนทนา ว่าชไนพิกษุนีจุงหมชิวของพิกษุนีอื่นโดยไม่บอกเล่าครั้นแล้วพิกษุนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกพิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกพิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูนพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ